นำเด็กที่ไม่ได้เป็นที่มุ่งร้ายในปัจจุบันไปสู่อำนาจแห่งกรรมในอดีตซึ่งไม่ใช่เป็นกรรมของใครอื่นแต่เป็นกรรมของเด็กนั้นเองที่ต้องได้กระทาไว้แน่นอนในชาติใดาชาติหนึ่งในอดีตที่พ้นความรู้เห็นของบุตุชนทั้งหลายแต่หาได้พ้นความรู้เห็นของท่านผู้พ้นแล้วจากความเป็นบุตรชนกรณีที่มีเด็กถูกฆ่าผิดตัวนั้นเด็กตายแล้วพ้นจากความเข้าใจของคนทั้งหลาย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 มือแห่งกุศลกรรมนั้นถ้าเปรียบให้เห็นง่ายๆก็ต้องเปรียบกับเทา้ามีมือผู้ร้ายติดตามต ร, รุษปูอยู่จะหนีพ้นก็ต้องอาศัยเทา้าพาวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นั่นก็คือต้องทําบุญทํากุศลคุณงามความดีให้มากที่สุดให้เต็มสติปัญญาความสามารถเสมอความดีเท่านั้นจะช่วยให้พ้นมือแห่งกรรมร้ายได้แม้จะพ้นอย่างบุบปิดก็ต้องดีกว่าไม่พ้น